ทำไตัวอาจจิกาแอไกมาจนน่าหก็อา่าผมชื่อลักษมณ์สุ น, นเอกระบุตนะครับอยู่ที่อาสมศินนะแล้วก็ทำงานอยู่ที่อาสมสินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปีสองห้าสี่หกนะครับ อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ตอนนั้นที่มาปรึพี่รู้ไหอจารยได้อยู่ไหมยืนได้อยู่ครับครับได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมครับได้เข้าร่วมที่บ้านอาจารย์ปาร์มาพัทครับครับพูมาจไม่ได้ฮะก็มารักษาหลวงพ่ออยู่นะครับที่นั่นที่นี่ที่นั่นด้วยแล้วมาที่นี่ด้วยครับที่หลวงพ่อปวดบ่านะครับครับผม แล้วได้ออกมาปฏิบัติต่อไหมเออได้ปฏิบัติต่อไหมได้ปฏิบัติต่อทุกวันทุกวันนะครับชื่อสุภาชัยอุ่นคาครับชื่อสุภชัยครับผมมาจากไหนมาจากบ้านเรียนละครมระดกใหม่มระดกใหม่ครับ อยู่คลองหกปทุมธานี้เรียนมาเรียนอยู่ครับผมก็ทั่วไปครับเคยไปวัดอัมพวันวัดปัญญาไม่บ่อยครับ ครับผมครับชื่อชื่อเล่นชื่อหมี่ครับเป็นคนกรุงเทพครับก็เรียนปอบัณฑิตครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยมาปฏิบัติธรรมครับเอายังไม่เคยครับใช่ครับที่อาสมศิลป์ครับ ชื่อชมพูนุชเจ้าค่ะทำงานชมพูนุชนค่ะค่ ะ, คะมาจากโรงเรียนดรุณศิขาลัยค่ะอยู่ในเทคโนบังมดนะคะทำงานที่นี่มาส1บปีแล้วแล้วก็เคยปฏิบัติธรรมมากอ่อนก็กำหนดลมหายใจค่ะนั่งสมาธิเจ้าค่าาานะมีอิริยา<อ>บถย่อยอะค่ะค่ะทานข้าวดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว<อ>่าเป็นอาจารย์สอนที่พุค่ะจเป็นนักศึกษาวิา ชื่อแมมค่ะดารุนีขอเจริญค่ะ เ, เคยมาปฏิบัติที่คุู้สติสองครั้งแล้วค่ะคอร์สามวั น, วนค่ะก็ะ้าจารย์ตุ้มมะค่ะค่ะนะใช่เจ้าค่ะ ัรร ส, สกานเจ้าค่ะชื่อออมค่ะเรียนปีหนึ่งศึกษ า, าศาสตร์แบบองค์รวมค่ะที่อาสมสถาบันอาสมศิล์นทำงานอยู่ที่ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมอปเอื้องค่ะเป็นอาสาสมัครอยู่ที่นั่นค่ะไม่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนค่ะมีแต่ทําวัดเช้าทำวัดเย็นเจ้าค่ ะ, จะ เ, เ, เจ้าค่ะ เจ้าค่ะชื่อบีปวีนานะคะเรียนปบันดิตที่สถาบันอสมศิลป์นะคะสอนที่โรงเรียนวัดขุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาปฏิบัติธรรมค่ะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยค่ะยังค่ะมีค่ะเข้าวัดฟังธรรมค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะชื่อใหม่กระมวลชนกค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงเรียนสรษารศาสตร์วิเทศบานูทองค่ะแต่บ้านอยู่ปทุมค่ะเขตติดต่อใกล้ๆก้กันค่ะกับนนทวุรีค่ะเคยค่ะต่นานมาแล้วค่ะตั้งแต่อยู่มสี่ค่ะมันมีเข้าค่ายของที่โรงเรียนอะคะ่ะมันเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอะคะ่ะตอนนั้นนานแล้วค่ะ สามวันสองคืนค่ะคกับกับพระค่ะมันมามันเป็นสถานปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะมีต้นไม้เยอะๆหนูจำไม่ได้ว่ามันที่ไหนนานมากนะคะ <c oughs> จริงจริงค่ะอยู่แถวปทุมนี่แหละค่ะไม่จะไม่ได้ว่าอยู่คลองอะไร <c oughs> ใช่ค่ะรกระสการผมประดิษฐ์รัตนาวิจิตรศิลป์ครับเรียนปิญญาโทอยู่ที่สถาบันอสมสิล ไม่ได้ทำงานประจำครับเป็นอาจารย์พิเศษในมาาหาวิทยาลัยบางครับไม่ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติธรรมครั้งแรกกับไม่ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมกับไม่ใช่ครับ เ, เป็ น, ปนพูดครับ ค, <laughs> ครับข่าวนักการ์พระอาจารย์ครับ ผมชื่อทักครับก็นั่นพอาจารย์เติมพี่ให้ผมอะครับผมชื่อทักอย่างเดียวผมก็ไม่ได้แย้งพระอาจารย์ผมก็ปล่อยให้เป็นพี่ทักไปก็ตั้งแต่เมษาครั้เออเมษาไม่ตั้งแต่ครั้งนั้นนะฮะตั้งแต่เมื่อปีปีครึ่งแล้วนะครับปีครึ่งแล้วครับก็ที่มาปฏิบัติกับพระอาจารย์นะครับะตอนนั้นอาสมศิลป์ก็มีผมกับอาจารย์สมจิต ที่มาที่นี่นะครับตอนนั้นหลังครับอาจารย์หลังครับครับแล้วก็อาจารย์สุพลไปช่วยไทยพีบอครับครับก็หลังจากที่มาปฏิบัติกับพระอาจารย์ครั้งนั้นก็กลับไปบ้านก็ไม่ค่อยได้ทํามีมีที่ไปทําก็ที่อาสมศินที่เขาปฏิบัติวันศุกร์นะครับก็มีบ้างนะครับครับจำได้จำได้ดีอยู่ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ถือว่ามา สามครับ ม, งมางานมหกรรมหลวงพ่อครับผมสัมพันธ์ครับเป็นโปรแกรมเมอร์จากศรีราชาเข้าคอร์สครั้งนี้เป็นครั้งที่สามคอร์สของหลวงพ่อเป็นครั้งที่สามก็ที่การุสตินี่ครั้งที่สองแล้วก็ครั้งแรกที่ที่โรงเรียนตุงรุน สวัสดีครับชื่อนัทพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่ออาร์มทำงานอยู่โรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงวิทยาคมครับตอนนี้เรียนปบัณฑิตปีหนึ่งอยู่ที่สถาบันอาสมศินครับเคยไปเข้าค่ายธรรมาที่พุทธมนทน ต, อนตอนตอนม4ี่ครับ3วัน2คืนแต่ก็ไม่ค่อยไม่เคยปฏิบัติแบบนี้ครับไม่เคยครับกลับนมาตการพระอาจาร์ครับ พีรณัทอยู่ปั้นครับเป๊กครับปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่นครปฐมครับบ้านอยู่เพชจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นครูที่นครปฐมมาบวชบวชอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรีหกเดือนครับก็ที่ผ่านมาก็เป็นการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็คือการสวดมนต์ภาวนาอยู่ครับผมเ ป, เ, ปเป็นพระครับครับผมหกเดือนครับรอยู่ก็ ช่วงนั้นเนี่ยเป็นคือต้องต้องเรียนพระอาจารย์ว่าอ่ากับผมอยู่วัดรูปเดียวเลยครับตอนนั้นซึ่งการที่จะมีพระอาจารย์มาสอนเนี่ยเราจะต้องไปวัดอื่นไ ม, ไม่ไปวัดที่มีพระอ่าบวชแล้วไปเจอวัดเรื่องบวชแล้วก็ช่วงนั้นพอออกพรรษาปุ๊บพระอาจารย์นั้นก็เดินธุดงไปทางไปทางอื่นมากกว่าครับ ผมก็ได้มีโอกาสได้อยู่แล้วก็เดินทางไปหาครูบาอาจารย์ทางจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ขึ้นไปสุดที่อุบลแล้วก็ฝั่งลาวพักหนึ่งครั บ, บ, รบครับผมแต่ก็ยังยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเท่าไหร่เราด้วยด้วยที่เราไม่ไม่ประสาด้วยครับครับผมครับผม ครับครับกราบนมัสการครับ นรมนสการค่ะชื่อนางสาวอนุ่มพวงศ์ทรัพย์ศินนะคะเป็นคู่ก้นสน อ, อยุยมเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมค่ะก็เรียนปมนดิษฐ์ปีหนึ่งะคะของสถาบันอาสมศิน์ก่อนหน้าก่อนหน้า น, นี้ก็เคยบวชอุบาสิกาแก้วมาแล้วค่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็ในการเรียนการสอนทุกๆเ ท, ท, ท, ทอมของนักศึกษาก้นสนอก็จะต้องพานักศึกษาไปเข้าค่ายธรรมะค่ะก็เป็นเรื่องของอหมู่บ้านรักษาศิลปห้าแล้วก็สถานศึกษารักษาศิลปห้าของที่วัดเล่หิงค่ะ เป็นครูกศนมาห้าปีแล้วค่ะแต่ว่าจะต้องเข้าค่ายมาทั้งครูทั้งนักเรียนทุกเทอมทุกภาคการเรียนค่ะค่ะสัปดาหมาศการพระอาจารย์ค่ะอชราภิภพครูน้ำเค็มค่ะจากรุงอรุณค่ะครั้งที่สองแล้วค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมาร่วมปฏิบัติกับพระอาจารย์ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะ ถามนมสการพระอาจารย์ค่ะปานใจจารุวณิชค่ะเป็นอาจารย์อยู่สถาบันอาสมศิลปค่ะสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยค่ะก็ปกติก็ปฏิบัติที่สถาบันทุกวันศุกร์ค่ ะ, คะแบบเคลื่อนไหวนะคะแต่ถ้าในทุกปีสิ้นปีก็จะไปปฏิบัติแนวหลวงพ่อจัน ที่วัดใกล้บ้านซึ่งเขาจะถือบวชเราก็จะปฏิบัติเป็นประจำทุกปีก็พอจะได้บ้างค่ะยังไม่เคยอบรมกับพระอาจารย์ค่ะ กลับมัสการหลวงพ่อมหาค่ะกับสมัส ก, การหลวงพี่เอฟและสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อระวิการพรมมายโย น, นะคะ่าทำงานเป็นนักกฎหมายอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเคยเข้าปฏิบัติกับหลวงพ่อหลายครั้งนะคะค่ะจำได้ค่ะกรับสมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะชื่อออมค่ะศาวราจัโดก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่สถาบันอาสมศินเจ้าค่ะตอนนี้ก็กําลัง ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนนุงนารุนเจ้าค่ะก็มีอยู่บ้างเจ้าค่ะแต่ว่าเคยเคยไปปฏิบัติธรรมกับโรงเรียนนะคะแต่ว่านานแล้วเจ้าค่ะประมาณ3ปีเจ้าค่ะเจ้าค่ะเคยไป นมามสการค่ะชื่อแตงโมภาวิดาค่ะชื่อแตงโมค่ะค่ะชื่อแตงโมค่ะทำงานอยู่ที่รุ่งอรุณค่ะยังไม่เคยเข้าคอสปฏิบัติธรรมค่ะสั้นก็ยาที่ดีสามันก็มาเนาะยังค่ ะ, จ ะ, จะศึกษาละเราไปปรัสนาการน้องสการน้อง ชื่อตั้มนะครับแสตมป์ดนตรีครับอยู่ที่เลิดลาครับผมเป็นทัึกษาวบวมบดิษฐ์ครับเคยบวชเรียนตอนเด็กๆครับจำไม่ได้แล้วนานอยู่เป็นสามเดือนมั้งครับจำจำได้วัดแถวบ้านนะครับวัดตอนช่วงปิดเทอมฮะครับผมก็มีทําวัดเช้าทําวัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับสมานเณรครับ ที่ตอนนั้นเปิดอบรมแถวลู่อรุกที่นี่ไม่ไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้ามาเรียนครับเรียนหนึ่งปีนครับครับกับมการหลวงพ่อครับผมเป็นผู้ปกครองนักเรียนรู่อรุณครับก็ไม่เคยปฏิบัติหรอกครับไม่ไม่ถึงไม่เคยเข้าคอร์สนะครับแต่ว่าก็สนใจการปฏิบัติธรรมมานานมากแล้วครับแต่ว่า ที่พราของผู้กองที่นี่เรื่องระก็มีบ่อยหรือไม่กเลยจะเข้าอ๋อก็ต้องเรียนหลวงพ่ออย่างนี้ครับคือผมก็สแสวงหาครูบาอาจารย์นะครับมานานเพราะว่าจริงๆก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์กุวิดเกิดจริงๆมี ม, มีเทปอาจารย์กุวิดเป็นกัลยาณมิตรนะครับก็ก็เลยแล้วก็ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของผมที่มีโอกาสได้มาแต่และคิดว่าเขาเขาจะ ดีลีตผมออกทิ้งไปแล้วเพราะว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับอสมศินทเท่าไหร่นะครับมีแค่อยู่บ้านใกล้กันนั่นเองครับก็ล่าสุดนี่ท่านย้ายไปอยู่เชียงรายนะครับพอดีมีลูกศิษย์อาจารย์กวิทเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์สนิทกายจักรวิทนะครับก็ก็ทราบลล่าสุดว่าขึ้นขึ้นขึ้นไปอยู่กับน้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยครับ แต่ว่าไม่ได้ติดต่อท่านนานไ ม, ไม่ไม่ได้ติดต่อท่านนานนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะติดต่อก็ได้ครับพราะ <laughs> ต้องผ่านเพื่อน <laughs> เพื่อนที่เป็นอาจารย์อยู่เศิลปากนนะครับคนนะบรับกันนะสัญญาหลวงพ่อครับชื่อประสิทธิ์ครับเป็นนัก ศ, ศึกษาอาสมศินครับเคยปฏิบัติธรรมกับหลวงพออ่อใกับบุญค ร, รับครับผมก็หลายปีแล้วครับกประสิทธิแต่อาจารย์ศิลน่ะกับหลวงพ่อนีรัว่าอาจารย์ศิล ว่าปฏิบัติเมื่อกี้ปฏิบัติานะลวพ่ออีกาครับเอกกวุญนะครับผมนที่นนกเที่รนครับผมปฏิบัติวันสาวันเท้นมวันครับผมจได้มปฏิบัติยงไเครือที่นี่ครับแต่ยัทอยู่หมทาอยู่ครับทอยู่นะครับผมทอยู่ได้ือนคเก่าส่า ชื่อโยนั้นด้าในครับสอนอยู่มัธยมฐานเทคโนโลยีครับตรงบางบอนนะครับอ่าไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนครับนื่องจากนับถือศาสนาอิสลามครับใช่ครับแือว่ายังคอดประมุขในกาศยังไม่เคยศึกษาเนาะไม่เคยครับแต่เคยพานักเรียนไปปฏิบัติธรรมที่วัดราชโอรสครับอ๋อราชโอรสครับได้เข้าคอดด้วยนะอ่าไม่ได้เข้าครับเคยเคยดูแลเด็กอยู่ห่างหงครับ มั ส, สการเจ้าค่ะอัจชาราเตชะสินธนาค่ะมาจากโรงเรียนดารุณสิขาลายัยตอนนี้ศึกษาอยู่ปบัณฑิตปีหนึ่งของอาสมสิล์นค่ะเคยปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานใช้ลมหายใจค่ะแล้วก็เดินจงกมรมอิริยาบถย่อยเจ้าค่ะใช้ลมหายใจแบบนัแบบแบบนอยแบบพุทโธเจ้าค่ะก็ก็ต่อเนื่องค่ะ<ร> หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วเจ้าค่ะปรึกษานะด้วยอ่าต่อไปกราบนราชการเจ้าค่ะยูเม่ค่ะสุวิมลเจริญชัยสกุลคีรีค่ะเป็นนักศึกษาศึกษาศาสตร์ปฐมวายค่ะสาวาวอรสมศิลป์ค่ะก็ไม่เคยจ้าเสิ่ภาวนาบ้างไมไม่เคยเจ้าค่ะเปิกรณีเป็นครั้งแรกใช่ไหมเจ้าค่ะจะว่าอยู่ที่ดูหเหมือนกันใช่ค่ะ เป็นไปไาา น, ปนักศึกษาค่ะยังไม่เคยเข้าจ้ะค่ะกลับแล้วกั น, นจะค่ะาากลับนมัสการค่ะชื่อตุ๊ก ค, ค่ะอาจารย์สมจิตสุวรรณวงศ์ค่ะคก็ะเคยเข้าอบรมกับหลวงพ่อหลักสูตรรุ่นเดียวกับอาจารย์ทักษ์นะคะคนา น, น้ะเนาะค่ะคไป น ma ้ำมัสการหลวงพ่อค่ะจันทาค่ะมาจากศิลาชาค่ะคือคุณที่ไปมาหรั้งแล้ครั้งนี้ครั้งที่สามค่ะที่แล้วนะค่ะใวิธีนี้นะใช่ค่ะกับนมัสการหลวงพ่อครับก็ผมสืบสักน้อยดัดครับเอกครับเป็นอาจารย์สาขาปฐมวัยอยู่สถาบันอาสมศินนะครับก็ได้ผ่านการปฏิบัติมาภาวนาก็ ก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็แล้วก็เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ก็ก็แสวงหาไปปฏิบัติที่แสงธรรมสองชีวิตนะครับของหลวงพ่อสมชาติธรรมโชโตนะครับที่สระ บ, บุรีแล้วก็โคราชนะครับระหว่างแบบน่าหนึ่งสมาธิก็แบบเคล่อนไหวนี่ทำในน้ำมัน ก็จริงแล้วนั่งสมาธิเนี่ยมันนะักมากกว่าครับแต่แต่มาตอนหลังนี้ก็รู้สึกว่ามาทําการเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกว่ารู้สึกชอบอะครับรู้สึกว่าชอบการเคลื่อนไหวเ <c oughs> ชอบการเคลื่อนไหวมากครับ <c oughs> <c oughs> ทีน uhm. ี้ในระดับต่อไปจะเป็นเรื่องสาธิตนะเรื่องสาธิตท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยยกมือสั้นงจวแบบสี่จังหวะเลยยกมือขึ้นขอระนึ้าหกเจ็ดแปดสิบเท่านโอเคสสองท่านี่จะให้ไปอ่า